สังถามกันนะก็อยากจะบอกจะสอนเป็นเพื่อนเป็นมิตรในทางคำพูดสื่อสารซึ่งกันและกันคำพูดกลายเป็นการกระทำเป็นการสร้างความผิดให้ถูกต้องได้ผู้ใดฟัง ย่อมได้ยินได้ฟังสิที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังตามความเห็นได้ถูกต้องแต่การได้ยินนั้นก็พูดเรื่องธรรมะเร่อธรรมะคือเรื่องของเรานี่แหละเรื่องของตัวเราคือมีรูปมีนามมีกายมีใจกายใจของเราที่เป็นรูปเป็นนามได้มันมีจย์ โจทย์ของรูปของนามคือความเกิดจเจืบเจ็บตายจะแก้ปัญหายัางไงเรื่องนี้จะสร้างบ้านสร้างเรือนมีเงินมีทองหัวดีเมียดีอาหารการกินดีกา ร, การงานดีมันก็ยังแก้ไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายนี่ จิตจะมาแก้ความแจ่ความเจ็บ ค, ค, ค, ความตายที่เป็นภาคสาตุลาการคือกรรมฐานเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นใดแมแต่โลกที่มีปัญหาทุก ว, วันนี้อ่าท่วม ควรปกคุมทั่วภาคเหนือแล้วก็ไปแก้ที่เหตุการที่จะเกิดเจ็บเจ็บตายของลูกของนามต้องมีเหตุมีปัจจัยแน่นอนโดยไม่ใช่วัตถุอันอื่นเดิดจากวิชากรรมฐานตามที่ พระพุทธเจ้าได้ทำเกิดเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาว่าสิทธัตถะไม่เคยทุกข์ทุกข์ยากลำบากอาภัพบอบจนลไม่เคยมีแต่มันมีปัญหาเรื่องเป็นจำเลยเรื่องโจ์คือแก่เจ็บตายนี่ ไม่มีใครตอบได้จึงออกศึกษาทรงผลวดมาศึกษาเรื่องนี้ศึกษาโดยวิธีทางอื่นทรมานทางกายจนเอาชีวิตเกือบไม่รอดก็ไม่พบใช้เวลาศึกษาทางอื่นอยู่ตั้ง6กปีตากคููต่างๆเยอะแยะเลย แต่ว่ากรรมฐานต้องศึกษาด้วยตัวเองไม่มีใครช่วยได้ครูอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้สอนดีกันทั้งนั้นครูทั้งหกอาจารย์สนใยเวลาต่ออาจารย์อุทงกาดาบทาดาดาดาบทสุดยอดแล้วเข้าฌานสบาบัด ก็ยังไม่พ้นจากความเจ็บต่อยจึงเห็นกระแสว่าต้องเป็นเรื่องการบำเพ็ญทางกิจังไมจึงจะจับกษษิจบาเพ็ญได้ก็อาจจะคิดถึงตอนที่เป็นกมมุมาร ปเปนะ็นแรกนาขวานพพี่เลี้ยงทั้งหลายปล่อยให้นั่งอยู่ต้นว่าดำพังโคงเดียวนอกจากนั้นก็ทำงานพิธีแรกนาะขวานจะลืมสิทธถะไปสิทถาะก็นั่งอยู่ใต้ต้นว่าใหญ่ โดยไม่มีใครจิวด้วยก็เลยนั่งสงบสง บ, สงบตอนว่านะวากอดว่าอาทิตย์ยังไปอนว่าล้มว่าก็ยังไม่นี้จากสุท ธ, ธรรมหลัเลี่ยงคิดตายกับเควนมาเห็นนั่งขัตวะทิฝึกนั่งตรงอยู่ สุทาก็อาจจะคิดได้เรื่องในกันมามันต้องเป็นเรื่องจิตใจเลยมาพู้ขัดจิตที่พู้หัดจิตก็มีสติอาศัยกายเป็นที่ตั้งพป็ที่เกาะอาจจะนั่งคู่ฉันเข้าเหยียดฉันออกตามตำารตาปัจจัยปดก จะตั้งอยู่หลานธรรมโน้นสมมัญญะบัพพะอาศัยอริบทจากกายให้เกิดความรู้สร้างความรู้ขึ้นมาให้รู้จึกตัวไปกับกายบางทีก็อารมณ์หายใจ อารต่างๆที่พอจะลูกได้จับมาใช่ให้เกิดความลูกสึกตัวตังพระจูดนิชะดีอยู่ในกายเป็นประจำในความเพียรมีการกระทําลุไปายวันหลุดไปรังอื่นก็กลับมาตั้งไว้ ที่กายคู้แขนเข้าเหยียดแขนออกก็ได้เห็นการแสดงออกของกายของใจของรูปของนามในอาการต่างๆก็ได้รู้ได้เห็นบางทีก็เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆบางทีก็เรื่องใหญ่เกิดจากจิตใจก็มีหาคำตอบจากความคิดเยอะแย ไม่ได้คิดหนาก็เกิดขึ้นมาเองเรื่องจิตก็มัเคยใช้ความคิดมากมายหลายอย่างอาจจะเปิดเปื่อนของกิดมาจะแยะผวงคิดหรืออาการต่างๆที่เกิดกับกาหรือเกิดไเกิดที่จิตจนได้มีคำเด็ดขาดออกมาชีพ ตรงไปเลยว่าเหตุกายจว่ากายว่าใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลาเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเห็นสุขนทุกข์ที่ว่าเวทนาเกิดกับกายกับใจก็ถอนไม่รู้สติถอนความพอใจความไม่พอใจออกมาเออจากจิตที่มันคิดเป็นสุขเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> ถอนออกมาสาักตวัวกิจเก็จากธรรมที่เป็นเรื่องใหญ่สุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีอะไรต่างๆมากมายที่ว่าธรรมอาการเกิดกับกายกับใจทั้งหมดที่ว่าธรรมทั้งหลายก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตวบุคคลตัวตนโลกเขาก็แค่เป็นปอบเป็นปอดได้เงื่อนไข ลื่อปล่อยถอนปล่ยจนเห็นกระแสะแห่งพระเนปานมันต้องเป็นเรื่องนี้อะไรก็เปลี่ยนมาเป็นรูดได้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับความกับใจนี้เปลี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวได้ทั้งหมดมาลงที่ความรู้จักตัวเมื่อความรู้จักกลายมาเป็นความรู้จักตัวก็ได้เปลี่ยนอะไรต่างๆมาเป็นความรู้จักตัวมันม ก, ก็เกิดความสะอาด ทั้งกายทั้งจิตใจเหมือนซักออกล้างออกก็ได้ดูแลกายใจเต็มที่เกิดการงานแล้วนี่ขึ้นมาเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเราเปลี่ยนลายเป็นนี้เปลี่ยนผิดเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันก็้าถึงเนื้อถึงตัว ได้กระแสการตัดสินใจทุ่มทีลงป่อยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเปี่ยนเร้เปลี่ยนเล่าล่างเล้าล่างเล่าธรรมชาติกดธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาตินัก็เป็นไปเองเหมือนเราชักผ้าเมื่อมีกรรมมาพิธี กักผ้ามันก็สะอาดเองไม่ต้องอยากให้มันสะอาดถ้ามีกรรมพิธีถูกต้องก็สะอาดเองกรรมเป็นการจําแนกไปเองกรรมวฐานนี่เขาจำแนกไปเองสักชิดเรต้องไปคิดถึงเหตุถึงผลจําอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมา ถ้ามีอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่มีแล้วอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ก็มีเรงได้หลักธรรมขึ้นมาว่าแล้วว่าทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจากเหตุจะดับก็ดับที่เหตุการวิธีจะดับได้ต้องมีทางแน่นอนโดยเห็นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกับกวากับใจกับรูปความนาม จนเห็นความเป็นจริงของโูกของน้ำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจริงๆบอกทิศบอกทางกายเหมือนกับเปิดของที่ปิดออกหายของที่ขึ้นมันต้องเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเราเป็นทุกข์ประกอมไม่เที่ยงมานานแล้ว เราเป็นทุกข์ปกความเป็นทุกข์มานานแล้วเป็นทุกข์ปกความไม่ใช่ตัวตนมานานแล้วแบบ น, นี้ก็บางเบาลงไม่เอาความไม่เที่ยงไม่เป็นทุกข์คอยจักตําเนินชีวิตไปง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นกลายเป็นรักความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์เป็นฉินสมาธิปัญญาคําวฐานนี่เมื่อสร้างไปมัน เข้ารูปข้ลอยดีในเรื่องในตัวมันเองกายดูแลกายใจดูแ ล, แลใจต็นอัตโนมัติในความหลงก็ไม่ความไม่หลงผู้เขิงในความทุกข์ก็ไม่ความไปทุกข์มาเลยไม่ต้องประกอบมันเป็นไ ป, น เ, ป, น เ, ปนเองอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานลิขิตชีวิตไปเอง กรรมวุฒาวัตถิโลกโกชดโลกเป็นไปตามกรรมที่บีกิดคืิดนี้คือกรรมฐานนี้เพราะเชีงนี้มีฉิีงนี้ก็ไม่มีถ้าเชีงนี้ไม่มีฉชีงนี้ก็มีแล้วก็ได้หลักจากนี้เราว่าอาริชัดสี่ตามหลักอริชัดสีวิธีดําเนินก็มีเป็น เทฤษฎีที่ชัดเจนในอเรียมกักเกิดขึ้นมาเป็นพลังเครื่องทุ่นืองให้เกิดความสะดวกมากขึ้นง่ายมากขึ้นของที่ยากก็ง่ายมากขึ้นของที่บอที่หนักก็เบาขึ้นมาเลยเป็น แนวร่วมขึ้นมาหลายๆยอย่างศีลก็ช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยเพราเราช่วยตัวเองก็เกิดความช่วยเหลือเหนือื่นอีขึ้นมาแตเหมือนกันเราเจออะไรที่เหตุหรือที่เหตุอะไรเกิกับ ไม่เหตุมีปัจจัยตัดสินใจทางนี้ทางนั้นในโลกนี้เจยนเป็นกเป็นเจนอาศัยหลักอริยสัจีแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อาจากเป็นเรื่องง่ายแว่ากรรมฐานนี้ไม่มีใครช่วยกันได้ปล่อยเป็นอิสระเราเป็นเพื่อนห่งหาง มมีโอกาสเต็มที่ได้หลงเต็มที่ในรูปความหลงอย่างเต็มที่แก่เองเตือนตอนเดงแก้ไขตนเองเต็มที่เป็นคอสที่ทำเรื่องนี้เต็มที่40วันก็จะได้บทเรียนได้าจากการกระทำ เราได้ผลเรียนจากการการะทำมันไม่ลืมมันไม่ลืมไปไหนไม่เหมือนกับการท่องจำไปแบบพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นจึงเป็นเรื่องตัวใครตัวมันไม่มีจิตกรรมอะไรที่จะทำให้เกิดมาเกิดผลขึ้นมาเบิด พิภาคษาเรื่องการเกิดเจ็บตายของคิวเหล่านี้ได้นอกจากวิจากรรมฐานเท่านั้นแล้วก็มีกาาวใจมีรูปมีนามเป็นอุปกรณ์มาผิดความรู้จักตัวขึ้นมาโดยพิวิตทำได้อย่างนี้เราจะปล่อยตัวยางทิ้งจังไร ถ้าเราปล่อยตัวองให้งุดหงเป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นก็เสียชาติมันมีประโยชน์อรูปนี้นามนี้มีประโยชน์สร้างมรรคสร้างผลได้มันมีให้เราสร้างมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยว่าชิตแจง แก้เรื่องนี้ได้แห่งการเกิดจ็บตานจึงเผเพผ่เรื่องนี้ทุกชาลงทุนศึกษาแล้วนี่หปีจึงได้คําตอบลงตัวไม่มีอีกแล้วจาติเช่นแล้วพระวจน่จบแล้วคิดอื่นต้องทาไม่มีอีกแล้วในชีวิตนี้ เป็นหลักษากลพอ่อทายโลกเป็นการตัดสู้ที่เป็นสากลของโลกในโลกยอมรับวันตัดสู้ของพระศิทธรรมเกิดพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยแห่งโลกไปแล้ว ไม่มีไม่มีใครเป็นอื่นได้จะเพิ่มเติมตัดอะไรก็ไม่ได้เราตัดไปดีแล้วก็ตราบ้ดที่เราังมีรูปมี น, าน้าอยู่ก็มาเก็ตแล้วนี้ได้ก็เสิร์ฟต่อกันมาโรือวิชากรรมฐานวัชรียนรูปอะไรต่างๆมากมาย แต่มาตราที่เป็นการกระทำแท้ๆจะนุ่งผ้าห่มผ้าสีไหนเพศใดวัยใดละที่ใดนิการใดศาสนาไหนมีรูปมีนามเหมือนกันหมดอาการที่เกิดขึ้นกับรูปนามก็เหมือนกันหมดมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันหมดมีคการเกิจะจะจะจะดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นทุกกันแหละความเจ็บเป็นทุกความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเปนทุกข์เหมือนกันหมดถ้าเราฉลาดนี่ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์เหมือนกันหมดงแต่เราคิดก็ทุกข์แล้วเโปรบังแล้วเป็แผลแล้ว เรื่องเก่าบาทุกเรื่อบะทุกเอกเป็นกรรมแล้วเปนบัตตาแล้วเนวิบากแล้วเป็นวัตตาเบียนบ่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เปลีนแต่ความคิดหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกทุกเรื่องเก่าทุกเรื่อบทุกเอกโกรธเรื่องเก่าโกรธแล้วโกรธอีกดี่วิบากเป็นกรรมตัดกรรมคือมาทําเรื่องกรรมฐานนี้วิชาตัดกรรม การหลงลูกขึ้นมาเนี่ยตัดแล้วความทุกข์ลูกขึ้นมาตัดกรรมแล้วมันไม่ดีมันเป็นกรรมความหลงเป็นกรรมความขุกรรมม่กเป็นกรรมความทุกข์เป็นกรรมเปลี่ยนมาเป็นลูหรือว่าตัดกรรมตัดเบนไม่ใช่ไปตัดอย่างอื่นอ้อนวอนไม่ใช่อย่างนั้นเดีย๋ยวนี้เป็นกรรมมาถอด วางสมนักตัดกรรมกันไอ้ข้ากบข้าเจี๊ยกันเมื่อก็คำว่าฐานแล้วก็นเมบลงซักปิ้นเหมือนตีกบตายถ้ากิลก็เหมือนตายเหมือนกิลข้าวัวข้าควายก็ล่อมเหมือ น, นวัวเหมือนควายเรียว่าตัดรืนตะกรรมแนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ต่อยังเป็นความหลงความขรุระความทุกข์อยู่ยังไม่ได้ตัดจะทําไปทีไม่ใช่สําเร็จต้องเป็นภาคปฏิบัติลงไปเห็นต้นเห็นตอมันหลักไอสัตย์สี่นี่ก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสบุปบาทนี่คือความจริง เราจึงไม่มีวิธีใดที่ศึกษาเรื่น้รู้เรื่องนี้ได้นอกจากกรรมฐานอาจจะพบกระฉสบ้างได้เปลี่ยนความไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องขึ้นมาได้บ้างอาจจะเช่อมแข็งขึ้นบ้างง่ายขึ้นบ้างหมายม่อาจจะง่ายที่จะหลง ต้องดึงความหลงดึงความคิดมาอยู่กับความมัฐานาทำต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องดึงมันมามันกลับมาเองปฏิบัติคือมันกลับมามันไม่ไปมันได้ที่มันอย่างลากมันได้ที่แล้วไม่ไปมันปักหลักมันหนักแน่นมันสิน หนักแม่นไม่หวั่นไหวอีกแล้วไม่ผูไม่แพ้ชีวิตของอาเลี้ยชนไม่ผูไม่แพ้มายุไม่พองไม่ใช่ปุตชชนปุตุชนเนี่ยผูผูแพ้แพ้อาเลี้ยชนเนี่ยไม่ผูไม่แพ้อาเลี้ยบุคคลก็ยิ่งเก่งกลายเป็นโยมกันหรอว่าอาเลียบุคคล ภาเนพระีว่าอรเลียเจ้าตามรูปแบบของเพศอุดมมเพศหนีนะเพศเพศต่ำพุดมมเพศคือเพศนักบวชอนาคาริกาบ้างนักปวดบ้างก็ทำหน้าที่เรื่องนี้ ก็มีเรื่องอย่างนี้เท่า น, านั้นที่นี่ไม่มีเรื่องอื่นทื่สอนก็อยู่นี่อุตสาหลงทุนเพื่อ <Yeah. S 1> ให้เกิดดังนี้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรก็กลมหน้าคมต่อทาอย่างนี้เอาชีวิตเป็นทุนไปนเลยในชาตินี้ขอใช้ชีวิตแบบนี้ให้เพื่อนมิตรเห็นด้วยกันแบบนี้ขอเลือกทางเดินในชีวิตแบบนี้ ในชาตินี้ขอให้ได้บอกได้สอนเรื่องนี้ที่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงขอให้พูดเรื่องนี้ความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงมันมีอยู่ทําได้อยู่เวลาเมื่อโกรธเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้อยู่ เวลามันแก่ก็ไม่ทุกค์พวมแก่ได้อยู่เวลามันเจ็บก็ไม่ทุกข์พวมเจ็บได้อยู่เวลามันตายก็ไม่ต้องทุกข์พวมตายได้อยู่ไม่ได้แก่พวงแก่ไม่ได้เจ็บพวงเจ็บไม่ได้ตายพวงตายมีอยู่ในโลกนี้อะไรก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งหมดไม่มีหลักโอปริเสาเขาบอกทุกเดืยน มันเอาไม่ได้ไม่ถูกต้องจริงๆความ่ทุกข์มันเป็นความถูกต้องจริงๆอะมีสติใช้สติเต็มที่เรื่อมาโกรธก็ใช้สติความไม่โกรธถูกต้องที่สุดเรา่องทุกข์ก็ไม่สติไม่ทุกข์นี่คือสติ ได้เป็นประกาศอิสลาภาพไม่เป็นจำเลยเกี่อบอิภากษาของตัวเองไม่เป็นจำเลยของแนในโลกนี่อิสระเต็มที่ขอขอเป็นความอิสลาบการความเป็นอิสลาเต็มที่ในชีวิตนี้ เราจะเป็นจำเลยอะไรต่อไปเสียวเวลานานแล้วจึงน่าจะเรียบด่วนชักหน่อยอย่าประมาทความหลงความทุกข์นิดหน่อยมันก็งามขึ้นได้ความดีนิดหน่อยก็งามขึ้นได้อย่างจะ่เราลู่กรรมาฐานลู่เป็นข้างกันลู่เป็นลู่งามขึ้นลวยเป็นมหาลู่ได้ ยิ่งกบฏฐ า, านสัพัชญะบัพพาสิบส่จังบะทุกนาทีนาทีาทละลู่นาทีละลู่เนี่ยมันจะไม่มากก็อย่างไงนี่กรรมทแท้ๆนะนีกรรมดีแท้ๆเนี่ ย, ยกรดีก็ดีแท้ๆเนี่ยกราชั่วก็ชั่วลุ่มแท้มีกายกรรมวิจีกรรมหนกูกรรมเป็นอาวุธที่มาทำความดี แสดออกทางกายก็ขอทำความดีแสดงออกทวาจาก็ขอพูดแต่ความดีความถูกต้องแสดงออกทางจิตใจก็ขอคิดแต่เรื่องดีมเมตตากรุณาไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะเปลียป่ยนสิ่งอื่นวัตถุอืน่นในโลกนี้ขออยู่ด้วยกันกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นมิตรภาพภาพเรียบจริงๆไม่มุนขึ้น ไม่มีขึ้นชีวิตนะราบเรียบไม่ได้ว่าพอใจไม่พอใจไม่มีทำพอใจควบมาพอใจลาบลงแล้วตักเตอร์ปาดลงแล้วเหยียบลงแล้วเหมือนธรรมาจาับหมุนไปทางไหนก็เรียบไปทางนั้นเป็นไปเพื่ความดอกทุกข์เป็นตัวความทุกเป็นไปเพื่อปณิพานเรียบไปเลยกรรมฐ า, านเนย เป็นกาลังนะยังพปดบ้างแต่การลังจะหมดแล้วล่ะหมดโอกาสไปเรื่อยๆปีนี้ก็มา เ, เหมือนปีกายนนี่ก็มีแต่ชวนเห็นใครก็ชวนมาปฏิบัติแต่ที่เราก็อยู่หลายคน บางคนก็กไม่ชวนมาปฏิบัติกลัวว่ามีจะมีคนมาอยู่ด้วยก็มีเหมือนกันบางชีวิตอยากใต้คนแก่มาอยู่เป็นเพื่อนบางคนก็ไม่อยากได้คนแก่เห็น <c oughs> คนแก่ก็มาอยากให้มีคนแก่ก็มีคนหนุ่มๆบางทีเราอยากใต้คนแก่เพราะมันเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือคนแก่ ่แล้วก็ดำอะไรไม่ได้แล้วอาศัยคนอื่นอยู่แล้วเขาไม่อยู่เขาไม่ได้อยู่แล้วเด้อยมเด้อแต่ลงตาย อ, อยากให้อยู่กาหนดการประชุมกันแม่ชีรับได้ยี่สิบรูปรับได้ห้าสิบรูปยมไม่จำกัดแตพ่อจะได้เป็นพันรูป น, นนะฮะ <laughs> จไม่มีอะไรจะหามาไปขอเอาเคยเคยมีนะสมัยก่อนไม่อั้นนะเดียวคนเดียวผู้ปรุงอาหารคนคนหุ้งคนฉชองรอยมาอยู่ด้วยเป็นเด็กหญิงสาวคนหนึ่งมาอยู่ด้วยนะมีคำพูดออกมาว่าหลวงพ่ออาหารมุจลท่าแล้ววันนี้ พวกนี้ไ่รู้จะเอาอะไรมาทำอีกหลังก็เลยไหลชลบับไปไปวัดถ้ามาไรหวานออกญาตโยนขอเข้าวสาร น, น้ำปลาพิกนะแล้วก็เจ็บมาให้ก็เจ็บาให้มาไหว้เราก็ไปกรุงเทพมีเพื่อนชาวอินเดียมานหน้ากระเสีนหร น, นักบวชอยู่ที่นั่น ก็เลยชวนไปอยู่ด้วยครับว่าปีติบาตมีปลากระกป๋องเก็บไว้เป็นหลายหลังเหมือนกันนะได้ไปเปินทว่บบาสักสองสามวันไปอยู่ด้วยกันจะได้เแย่ๆเลยไปก็ไปปีติ บ, บาตปีติ บ, บัตปัเ บ, บ, บนจ์จับปลาพิษพยังแต่ออกไปยื่นหน้าหน้าหน้าหน้าประตูวัด เดินอยู่เฉยคนนั่งรถเฉ่งรถอะไรมาจอดใส่เอาใจเอาใส่ลิกไปก็ไปข้ากนกระแพงกองไว้ก็ามาเยืนอีกเขาไปข้างกระแปงกองไหวได้ปลากระป๋องเกือบออกมาไม่ไหวนะใส่แพกกลองมาเหมารถเหมารถทั่วเลยนะัเสียค่าวางมาลงแจกคอบอกผู้ศึกษาปฏิบัติธรรม ตะโตมาค่อยอาหารเพียงพอก็ซื้อหม อ, อาหารมาพวกถั่วพวกหลอยที่เป็นอาหารวางจักวยานไปสองหลังมาหายกลางทางหนึ่งหลังออกขึ้นรถมาหลงสายบ้านหลวงพิพนัน์เหระนีลงรถที่นั่นได้เห็นหลังเอาลงรถอยู่ โดยไม่ถามอีกเอามาก็ได้มานี่แต่ปลากระป๋องเอิมไปหมดเลยในก็บปงกอบผ่ที่ข้างเวลาไก่ตไวเทวจะนวนงจนตํารวจทหารมารหปลากระป๋อง ม, มันมายละมัจํานวนมากอยู่เนี่ย ม, มัมีทหารแนวร่วมหลายต่างๆนในเครื่องกระป๋องเยอะแยะไปเลย สงสัว่ามีเราร่วม เ, เลี้ยงทหารป่าเลยว่าปัญหาก็เยอะแยะเลยสมัยก่อนดูเดคนสมัยไม่เจริญวันนี้ยังไม่เคยได้ยินครับว่าอาหารไม่สุดท้ายถ้าได้ยินเราจะไปเองไม่อายใครขอพนนั้นคนนี้ได้รับเป็นร้อยเป็นพันนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้แลเนาะ คนเระไปอังก็ไปแต่นี้ก็อาศัยเพื่อนมิตรอยู่ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วแต่เพื่อนจะเอาอยัางไงไม่มีอะไรที่เป็นความคิดเห็นอีกต่อไปแล้ววางหมดหวางแล้ววางลงแล้วอะละที่เป็นเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบวางลงหมดจะไม่วางแต่การสอนธรรมะเลยนะจนตายล้ะเนี่ยจะบอกอยู่เนี่ยถ้ามีเขียงพูดถ้ไม่มีเสียงพูดก็ก็จำเป็นแล้วสมควรเจเวลาแล้วกลับาพร้อมกัน